พลังสะกดจิตบางทีมีผู้สอนพลังจักรวาลหรือพลังแห่งการสะกดจิตพลังจักรวาล น, นี้มีแนวโน้มไปในทางสะกดจิตการสะกดจิตเท่าที่หลวงพ่อได้ศึกษามาด้วยตนเองพอใครมาเรียนสะกดจิตพออาจารย์มอบอำนาจมอบพลังจิตให้ออกจากอาจารย์ไปไม่ถึงชั่วโมงสามารถที่จะทำการสะกดได้ทันที อันนี้คือการสะกดจิตทีนี้การสะกดจิตนี่ก็มีอํานาจมีพลังมากเหมือนกันเช่นอย่างนักสะกดจิตเขาจะไปแสดงอิทธิฤทธิ์ของเขาที่ไหนเช่นมีผู้มาเชิญไปบรรยายหรือไปประตัดคถาเขาจะเอาคนในบ้านของเขาซึ่งเขาฝึกสะกดเอาไว้อย่างดีแล้วเอามาสะกดพอสะกดให้หลับแล้วเขาจะสั่งฉันจะปลุกเสกเจ้าให้เป็นผู้ที่มีสมาธิมีอิทธิพลมีอํานาจ เจ้าสามารถสะกดใครต่อใครให้นอนหลับก็ได้วันพรุ่งนี้เวลาเก้านาฬกาฉันจะไปประทักถาที่มหาวิทยาลัยนั้นเวลาฉันไปถึงห้องประชุมฉันกวาดสายตาไปรอบๆห้องให้เจ้าไปสะกดคนในห้องประชุมให้นอนหลับให้หมดใครปลุกก็ไม่ตื่นพอเขาสั่งเสร็จเขาก็จะปลุกคนที่ถูกสะกดให้ตื่นตื่นแล้วเขาบอกว่าให้ลืมความหลังเสีย พอถึงเวลาเขาก็ไปตามนัดพอเขาโผล่หน้าเขาไปในห้องประชุมกวาดสายตาไปรอบๆห้องคนในห้องสองคนจะนอนหลับหมดทุกคนใครปลุกก็ไม่ตื่นนอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นเวลาเขาจะประทักขถาพอเขาประกาศว่าทุกคนจงตื่นจากหลับมาเตรียมฟังข้าพเจ้าจะประทักขถาคนเหล่านั้นจะงัวงเงียตื่นขึ้นมา มหาวิทยาลัยบางที่ก็เจอมาแล้วเขาก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังเขาบอกว่าทำไมนักสะกดจิตเขาถึงได้เก่งนักเขาเก่งยังไงพอเขาเดินไปในห้องประชุมของผมเขากวาดสายตาไปรอบๆเด็กของผมสองร้อยคนเนี่ยนอนหลับหมดใครปลุกก็ไม่ตื่นหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องเรายอมรับว่าเขาเก่งมันดีแล้วหลวงพ่อก็เลยอธิบายให้เขาฟังอย่างนี้ตามที่ศึกษามา หลวงพ่อเรียนสะกดจิตจากด็อร์ไมเคิลแฟรงฟอร์ตซึ่งเป็นหมอเภสัชกรรมสมัยโน้นท่านผู้นี้เรียนเภสัชกรรมจบจากทางมหาวิทยาลัยอังกฤษระดับดต็ตรภายหลังมาเป็นโยบอุปถากก็มาเขี่ยวเขียนให้หลวงพ่อเรียนสะกดจิตหลวงพ่อเห็นว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์บ้างหลวงพ่อก็เรียนในขณะที่ปฏิบัติเคร่งเคร่งอยู่มันมักจะเกิดอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างต่างบางทีเดินไปเห็นต้นมะพร้าวมันขวางหูขวางตา เฉมือหักลงเดี๋ยวนี้มันจะหักโครมลงทันทีกิ่งไม้ที่มันเกะ ก, กะบอกให้มันหักมันก็หักอันนี้คืออำนาจของการสะกดจิตมันก็เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ผู้ปฏิบัติผู้เรียนมุ่งที่จะให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นหมอดูบ้างเป็นหมอรักษาคนไข้บ้างอะไรทำนองนี้อันนี้เป็นวิธีทางการสร้างพลังจิต